เดินมาถึงเดินทางมาถึงพระนครสาวัตถีโดยลำดับเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นปราศัยอยู่กับภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเจ้าถิ่นปูราาเสนาสนะเก็บบาตรและจีวรกันอยู่ก็ได้ส่งเสียงอื้ออึงก็แต่งตั้งที่อยู่ที่อาศัยนีย่จริงนะพระอคันตุกะเข้ามาเยอะๆนี่ก็เวลาจัดที่พักนี่ก็ถือวชุลมุลพอสมควระ น, น สังเกตดูเวลาคณะทัวร์ไปที่โรงแรมเนี่ยนะไปถึงโรงแรมก็คือว่าชุลมุนวุ่นวายใครอยู่ห้องไหนใครกุญแจเบอร์อะไรเนี่ยนะอันนี้ห้าร้อยะคิดดูมา5้าร้อยเนี่ยจะอยู่กันตรงไหนเสียงดังกระทึกๆๆโครมไปหมดครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามท่านพระอนุนว่าดูก่อนอนุน์ใครนั่นมีเสียงอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลาเนี่ยนะสำนวนผู้การเขาบอกแบ่งปลา ังแบ่งตากันยังไม่เสร็จมันะท่านระนนก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณห้าร้อรูปมีพระยะโสชะเป็นประมุขเหล่านี้เดินทางมาถึงพระนครสาวัตถีโดยลำดับเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นปลาสายอยู่กับภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเจ้าถิ่นปูราาเสนาสนะเก็บบาตรและจีวรกันอยู่ส่งเสียงอื้อง อ, องพระเจ้าข้า พระองค์ก็สังเวทใจนะนี่ขนาดเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยมาจนถึงที่ประทับ พ, พระพุทธเจ้าอย่างเสียงขนาดนี้นี่ถ้าไกลพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างไรพระองค์ก็เลยตรัสว่าอานอนท้าเช่นนั้นนะเธอจงเรียกพิสูจน์เหล่านั้นมาตามคําของเราว่าพระศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลายท่านพระนนท์ก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาภิสูจน์เหล่านั้นถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับพิสูจนเหล่านั้นว่า พระศาสดารับสังหาท่านทั้งหลายพิสูจเหล่านั้นรับคําพระอ น, นุลแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึง่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพิสูจเหล่านั้นว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะเหตุไรหนอเธอทั้งหลายจึงส่งเสียงอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามอย่างนี้แล้วท่านพระยศโสชะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณห0 0รูปเหล่านี้เดินทางมาถึงพระนครสาวัตถีโดยลำดับเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุผู้อาคันตุกะเหล่านี้ปราศัยกับพระกับภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเจ้าถิ่นปูร่าเสนาสนะเก็บบาตรและจีวรกันอยู่ส่งเสียงอื้อเอิงพระเจ้าข้า บาดข้าพเจ้าอยู่ที่ไหนบาดอาจารย์อยู่ไหนอาา่ะนะนะครับแต่ก็เป็นอย่างนี้จริงๆสังเกตดูเวลาเวลาถ้าไปคณะพระเยอะๆจะไปสักแห่งหนึ่งอ่ะนะอย่าว่าในในบ้านเลยในป่าก็เหมือนกันเสียงนิสนันไปหมดบาดอาจารย์อยู่ไหนอยู่นี่ครับอย่างาาาเง้ยนะคนก็ว่งไปโวกมาเนี่ยนะเสียงดังเพราะว่าเหมือนลิงเหมือนขังอยู่ในปาน่าของเ้ยนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพิ่สุทั้งหลายเธอทั้งหลา ย, งลายจงไป ไล่เลยไม่มีการอะไรไหมไม่มีไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นบอกเธอทั้งหลายจงไปเราประนามเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่ควรอยู่ในสำนักของเรานะบางคนเนี่ยต้องสอนด้วยไล่นะจึงจะ ส, สอนสําเร็จนะฝึกได้ก็ต้องไล่ไล่ออกจึงจะสอนได้อธิบายดีๆไม่เข้าใจพิสูจน์เหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า กระทำประทักษินเก็บเสนาสนะถือบาตรจีวรหลีกไปหลีกจาริกไปทางวัดชีชนบทจากเมืองสาวัตถีเนี่ยเนี่ยเดินทางรอนแรง ม, มาทางเขตเมืองภัยาลีทางนี้แหละถ้าเป็นเราจะทำไงนะเลิกนับถือผู้ศาสนาเลยใช่ไหมโอ้โหทีิพระพุทธเจ้าเรื่องแค่นี้ไม่น่าประน้ําเราเลยอะไรน่ยนะแต่ท่านเหล่านั้นไม่เป็นอย่างนั้นหรอกก็เที่ยวจาริกไปในวัดชีชนบทโดยลําดับไปจนถึง แม่น้ำวัคคู่มุถานทีกระทำกุตีมุงด้วยใบไม้เข้าจำพรรษาอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวัคู่มุถานทีครั้งนั้นแหลท่านพระโยยโสชะเข้าจำพรรษาแล้วเรียกพิสูทั้งหลายมาว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงค่าประโยชน์พระผู้มีพระภาคเจ้าทง ร, ร, ร, ราาทงสแสวงหาประโยชน์ทรงอนุเคราะห์ ทรงอาศัยความอนุเคราะห์ประนามเราทั้งหลายจริงๆที่พระองค์ประนามเราเนี่ยประนามด้วยกรุณานะถ้าพระองค์ไม่ประนามเนี่ยเราจะเป็นยังไงกันไงอ่า น, นะก็ดูสิกิริยามัญญาตเพราะจริงๆอ่ะตระกูลภิกษุเราเนี่ยเป็นชาวประมงอยู่แล้วด้วยนะถ้าหากว่าพระองค์ไม่ประนามเราเราจะเป็นยังไงกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใคร่ประโยชน์แก่เราทั้งหลายผู้อยู่ด้วยประการใด เราทั้งหลายจงสําเร็จการอยู่ด้วยประการนั้นเถิดพิสูจนเหล่านั้นก็รับคำท่านพระยะโสชาแล้วครั้งนั้นแลพิสูจนเหล่านั้นหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เนะนะี่ยทุกๆรูปได้ทำให้แจ้งซึ่งวิชาสามภายในพรรษานั่นเองมัลลุหมดเลยเนี่ยนะนะปะนามแล้วได้ดียางไงหน้าปนามอ่ะนะไลนะ่ไล่ออกวัดแล้วได้ดีเนี่ยนะนะเอาเลย นี่กนะ็ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์กันหมดภายในพรรษาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระนครสาวัตถีตามพระอัธยาสายแล้วเสด็จจาริกไปทางพระนครเวสาลีเสด็จเที่ยวจาริกไปโดยลําดับได้เสด็จถึงพระนครไผ่าลีได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันใกล้พระนครไผ่ า, าลีนั้นนะที่ที่เราไปสวดมนต์ข้างบ่อน้ำนะตรงนั้นแหละ เวสาลีกับไพยสาลีอันเดียวกัน น, นะก็คือสะเอเป็นสะไอเนี่ยนะกลับไปกลับมาอยู่แถวนั้นนะวัวแวนเป็นพอพาเนี่ยนะบางทีก็เวสาลีไพสาลีเนี่ยอันเดียวกันครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมนานสิการกำหนดใจของพิสุทธ์ทั้งหลายผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำวักคู่มูธานทีด้วยพระทัยของพระองค์แล้วตรัสกับท่านท่านนว่าดูก่อนอนอนน ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำวัคคุ่มุธานทีอยู่ในทิศใดทิศนี้เหมือนมีแสงสว่างแก่เราเหมือนมีโอภาษแก่เราเธอเป็นผู้ไม่รังเกียจที่จะไปเพื่อความสนใจแห่งเราเธอพึงส่งภิกษุผู้เป็นทูตไปในสำนักแห่งภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ที่ฝั่งแม่น้ำวัคุ่มุธานทีด้วยสั่งว่าพระศาสดารับสั่งหาท่านทั้งหลาย พระศาสดาคใค้จะเห็นท่านทั้งหลา ย, ยานะก็เรียกพระประสงค์จะให้พิสูจนเหล่านั้นเข้าเฝ้านะพิสูุกลุ่มที่ถูกไล่ไป <Okay. S 1> น้อยใจหรือเปล่าทีแรกก็ทําเป็นไล่อย่างงี้ด้วยไม่นะท่านพระนนนทูนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาพิกษุรูปหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวกับพิสูจนนั้นว่าดูก่อนอาวุโสท่านจงเข้าไปหาพิสูจน์ทั้งหลายผู้อยู่ที่ฝั่งแมนะ่น้ําวักคุ่มุธานที ไปหาพระที่มิริศนะนะครั้นแล้วจงกล่าวกับภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ที่ฝั่งแม่นม้ําวักคู่มุทานทีอย่างนี้ว่าพระาศาสดารับสังหาท่านทั้งหลายพระาศาสดาทรงประสงค์จะเห็นท่านทั้งหลายภิกษุนั้นก็รับคําท่านพระอนุนแล้วหายจากกูตาคารศาลาป่ามหาวันไปปรากฏข้างหน้าภิกษุเหล่านั้นที่ฝั่งแม่นม้ําวักคู่มุทานที เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกําลังพึงเหยียดแขนที่คู้หรือที่คู่หรือคู่แขนที่เหยียดฉะนั้นง่ายมากเลยใช่ไหมพับมือขึ้นมือลงแค่นี้เองแป๊บเดียวถึงละไม่ต้องทําบีซ่าพัสสปอร์ตไม่ต้องไปจองตัวอะไรสักอย่างเลยลําดับนั้นภิกษุเหล่านั้นก็ได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายที่อยู่ที่ฝั่งแม่น้ําวักคู่มูธานทีว่าพระาศาสดารับสั่งฐาท่านทั้งหลายพระาศาสดาประสงค์ จะเห็นท่านทั้งหลายพิสุนเหล่านั้นก็รับคําของพิสูจนที่มีฤทธิ์นั้นแล้วเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรหายหายตัวเลยนะจากฝั่งแม่นม้ำวัคค่มุธานทีไปปรากฏเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าที่กูตาคารศาลาป่ามหาวันเปรียบเหมือนบุรุษที่มีกำลังพึงเหยียดแขนที่คู่หรือคู้แขนที่เหยียดเชนั้นหายตัวจากที่นั่นมาเลยนะเข้ามาเฝ้ากันหมด ก็สมัยนั่นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ด้วยสมาธิอันไม่หวันไหวครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นมีความนําเรว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ด้วยวิหารธรรมไหนหนอคือเข้ามาถึงเนี่ยพระองค์ไม่ได้ออกมาคุยพูดคุยด้วยนะพระองค์นั่งเข้าพระสมาบัติภิกษุเหล่านั้นก็มีความนําเรตอีกว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ด้วยอนเนนชาวิหารธรรมสมาบัตินะก็คือเข้าอรหัตผลสมาธิรอรับอยู่ ภิกษุทั้งหมดก็เลยเข้าอนเนนชาสมาบัติอนเนนชาสมาธิคือเข้าอารหัตตะผลสมาบัติเรียกว่าเป็นการปฏิสันฐานแบบไม่ต้องพูดของเราคนทั่วไปคุ้นเคยในการปฏิสันถานแบบพูดใช่ไหมก็พระพุทธเจ้าเข้าพระสมาบัติภิกษุก็มานั่งเข้าพระสมาบัติร่วมกันคุยกันทั้งคืนไม่ใช่ใช้วาจานะทุกคนมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันแล้ว ครั้งนั้นแลเมื่อราตรีล่วงไปปฐมยานผ่านไปหลังสี่ทุ่มนะท่านท่านนกุนลุกจากอาสนะกะระทำผ้าอุตตราสงเฉวียงบาข้างหนึ่งปนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีล่วงไปแล้วปฐมายามผ่านไปแล้วพิสุาคันตุกะทั้งหลายนั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปราศัยกับพิสุาคันตุกะทั้งหลายเถิดพระเจ้าค้า อยากให้สนทนาด้วยเมื่อท่านพระนนนกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองเมื่อราตรีล่วงผ่านไปมัชมยามผ่านไปแล้วหลังตีสอง ท่นานพระนรุกจากอาสนะกระารทำผ้าอุตตราสงเฉียงบาข้างหนึ่งปนมอัญเชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีล่วงไปแล้วมัชชิมยามผ่านไปแล้วพิสุอาการตุ ก, กะทั้งหลายนั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปราศัยกับทิสุอากันตุ ก, กะทั้งหลายเถิดพระเจ้าค่ะแม้ครั้งที่สองพระพุทธเจ้าก็นิ่ง แม้ครั้งที่สามเมื่อราตรีล่วงไปแล้วมัชชิมยามผ่านไปแล้วอรุณขึ้นแล้วเมื่ออรุณขึ้นเนี่ยนะคือสว่างแล้วนะท่านทานนก็ลุกจากอาสนะกระทำผ้าอุตตราสง์เฉวียงบ่าปนมอัญเชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญราตรีล่วงไปแล้วมัชชิมยามปัตชิมายามผ่านไปแล้วอรุณขึ้นแล้ว เมื่อราตรีรุ่งอรุณภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายนั่งอยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปราศัยกับภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายเถิดพระเจ้าค่ะพระอนุนก็จะนิมนต์ให้คุยกันอย่างเดียวนะ <c oughs> ครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากสมาธิแสดงว่าช่วงสองครั้งก่อนหน้านี้ที่ราธนาพระ อ, องค์ไม่ได้ยินเลยนะไม่ได้ฟังเลยแล้วพระ อ, องค์ก็ตรัสกับท่านพระนุนว่าอานุ์ถ้าว่าเธอเพึงรู้ไซ คือถ้ามีปัญญารู้นะความรู้แม้มีประมาณเท่านี้ก็ยังไม่ชัดแจ้งแก่เธอดูก่อนอานน์เราและภิกษุ500้เหล่านี้ทั้งหมดนั่งแล้วด้วยอเนชาสมาธินะทั้งหมดเนี่ยนะเข้าพร ะ, ะสมาบัติกันหมดเลยพระอานน์ก็โมแต่ให้คิดจะสนทนากันนะคือการเข้าพร ะ, ะสมาบัตทิทุกคนเข้าหมดกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการปราศัยกันนะนะปราศัยแบบคนที่ อะไรนะชอบคุยก็อาจจะถือเอาการคุยเป็นการปราศัยใช่ไหมในผู้ที่ยินดีในนิพพานทั้งหมดทุกคนเข้าพร ะ, ะสมาบัติก็ชื่อว่าเป็นการปราศัยกันโดยธรรมะพระองค์เปล่งอุทานว่าผู้ใดชนะหนามคือกามชนะการด่าชนะการฆ่าชนะการจองจำได้แล้วพิสูนนั้นมั่นคงไม่หวั่นไหวดุดภูเขาพิสูนนั้นย่อมไม่หวั่นไหวในเพราะสุขทุกข์ก็คือไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ถ้าชนะกิเลสทั้งหมดได้โดยสิ้นเชิงลนะกลายเป็นผู้เหมือนภูเขาอ่ะนะไม่วันไวในโลกธรรมทั้ง8ดอันนี้ก็เป็นลักษณะคุณธรรมของพระอรหันต์ผู้ที่ชนะสมุทัยสัจจะคนที่ชนะสมุทัยบรรลุพระนิพพานถือว่าเป็นผู้ที่มั่นคงในโลกธรรมทั้งหมดเลย ภิกษุยโสชานี้มีเรื่องราวไปมาอย่างไรบอกว่าภิกษุห้าร้อยรูปนั้นท่านกล่าวว่ามียะโสชาภิกษุเป็นหัวหน้าเพราะบวชทำท่านยะโสชาให้เป็นหัวหน้าเพราะเที่ยวไปด้วยกันภิกษุเหล่านั้นมีการประกอบบุญกรรมคือทำบุญไว้ในปางก่อนดังต่อไปนี้ได้ยินว่าในอดีตการาศาสนาของพระกัะสสปทศพลมีภิกษุอยู่ป่ารูปหนึ่งอยู่ในกุติมงด้วยใบไม้สร้างไว้ที่ศาลา ศิลาดาดในป่าสร้างกุฏิใบไม้คือภูเขาบางแห่งเนี่ยนะมันมีแต่ศิลาดาดโดยเฉพาะภูเขาทางภาคอีสานเนี่ยนะมันมีแต่ก้อนหินเป็นแผ่นเรียบไปหมดนั้นก็จะไปสร้างกุฏิกุฏิก็ไม่ต้องฝังดินอะไรหรอกนั่นนะก็ทาเสาขึ้นมามาตีประกบประกบกันก็มุงหลังคาก็อยู่ได้เล ย, เ น, ยนะถ้าลมพัดก็ยกไปหมดและแต่ว่าก็โดยทั่วๆไปก็ไม่ค่อยถูกลมพัดเท่าไหร่ ท่านก็อยู่ในป่าสมัยนั้นมีโจรห้าร้อยกระทําการปล้นชาวบ้านเป็นต้นเลี้ยงชีพแบบโจรกรรมกระทำโจรกรรมถูกพวกมนุษย์ในชนบทพากันติดตามกันนี้เข้าไปในป่าไม่เห็นอะไรอะไรในที่นั้นไม่ว่าจะเป็นที่รกชัดหรือที่พึ่งอาศัยเห็นภิกษุนั้นนั่งอยู่บนแผ่นหินในที่ไม่ไกลเข้าไปไหว้แล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังอ้อนวอนว่าขอท่านจงเป็นที่พึ่งแก่พวกกระผมเถิดครับ นะโจรพึ่งพระแล้วนะไม่มีทางไปแล้วตายแน่งานนี้พระเถระก็กล่าวว่าที่พึ่งอย่างอื่นเช่นกับศีลของพวกท่านไม่มีจงสมาทานศีลห้ากันทั้งหมดเถิดพระเถระนี่ก็เก่งนะสอนให้ากาไปปล้นมาถูกไล่ฆ่ามาดีๆเนี่ยจับให้สมาทานศีลได้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นพระที่มีความสามารถสูงมากเลยเนี่ยทได้อย่างนี้เพราะบอกให้โจรสมาทานศีลเนี่ยง่ายที่ไหน คุยกับคนธรรมดายังไม่เคยจะรู้เรื่องเลยเอาโจรมาจับสมาโจรสมาทานศีลเนี่ยโจรเหล่านั้นก็รับคําของท่านแล้วก็พากันสมาทานศีลทัติระกล่าวว่าท่านตั้งอยู่ในศีลแล้วตอนนี้บัดนี้เป็นคนมีศีลแล้วนะไม่ใช่โจรเหมือนเก่าแล้วนะต่อไปแม้ชีวิตของท่านของตนจะพินาศไปก็อยากเกลี้ยวกล่อมด้วยการเบียดเบียน ด, ดังนี้แล้วก็บอกวิธีอุปมาด้วยเรื่อยนะกะกะจูปมะเนี่ยน ะ, น ะ, น ะ, นะ ก็คือสอนถามว่าถ้าคนเขาเลื่อยเธอให้เป็นสองท่อนเนี่ยนะเธอก็จะจังจิตให้โกรธในเขานะรักษาศีลให้ดีพาให้สมาทานศีลสมาทานศีลอย่ากโกรธเด็ดขาดใครจะฆ่าใครจะเคี่ยนใครจะทํายังไงก็อย่ากโกรธเพราะบัตรนี้เราเป็นผู้มีศีลแล้วโจรเหล่านั้นก็รับภาษาทุลีละประมาณลาดับนั้นชาวชนบทนะ น, นะกลุ่มทหารเป็นต้นนั่นแหละไปถึงที่นั้นคนดูข้างโน้นข้างนี้พบพวกโจรเหล่านั้นก็ ปรงชีวิตคาาเกลี่ยงในห้0รโจรเหล่านั้นไม่ได้ทำแม้มากว่าความแค้นเคืองในพวกชนเหล่านั้นมิได้ศีลขาดมิได้ขาดศีลเนี่ยนะถูกฆ่ายอมตายอะ่ะไม่ต่อสู้เลยอะ่ะตายแล้วไปบังเกิดในเทวโลกชั้นกามาพจรโจรผู้เป็นหัวหน้าก็ได้เป็นเทพบุตรหัวหน้าฝ่ายโจร น, นอกนี้ก็เป็นบริวารของเทพบุตรผู้หัวหน้านั่นเอง เทวบุทเหล่านั้นก็ท่องเที่ยวไปๆมามาสิ้นพุทธันดรหนึ่งในเทวโลกบุญเก่าเขาเยอะมากเลยนะสวรรค์6กชั้นเนี่ยขึ้นลงหลายรอบอะ่ะขึ้นลงอยู่หลายรอบไม่ได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์อะไรพอการในพระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเราคือพุทธบาตรการเนี่ยจุติจากเทวโลกแล้วเทพบุตรเป็นหัวหน้าเกิดเป็นบุตรชาวประมงผู้เป็นนายบ้านในตระกูลห้นเกวัตคามเกวัตคามก็คือตระกูลคนหาปลานลนะ ใกล้ประตูกรุงสาวัตถีเขาขนานนามว่าญะโสชาฝ่ายเทพบุตรนอกนั้นเกิดเป็นบุตรชาวประมงนอกนี้บุญเก่านี่นะบุญเก่ายัางทำให้มาเกิดในตระกูลชาวประมงเลยนะเพราะทำไมเพราะอดีตมันเคยเบียดเบียนผู้อื่นใช่ไหมด้วยบุพเพสนิวาสคือการใช้ชีวิตร่วมกันมาหลายภพชาตินี่นะคนเหล่านั้นทั้งหมดก็เป็นเพื่อนกันเล่นฝุนด้วยการเจริญวัยโดยลาดับ ยะโสชาเป็นเลิศกว่าคนเหล่านั้นเขารวมกันทั้งหมดวันนั้นก็เที่ยวถือแหจับปลาเข้าไปในแม่น้ําและในบึงเป็นต้นตระกูลในพราเนตระกูลหาปลาเนี่ยนะตระกูลหาปลาเนี่ยไปหลายๆแห่งเนี่ยมันมีแต่แหมีแต่อวนมีแต่อะไรนะเปล็ดปลามีแต่เปลือกหอยเป็นต้นนะอยู่หน้าบ้านเต้ไปหมดเลยตอนไปที่ที่ขเขมรที่ทะเลสาบก็คล้ายๆกันทุกการที่แถวทะเลสาบนี่ก็มีแต่ชาวประมงเนี่ยนะแล้วก็ไปที่อะไรนะกกเกาะตะลมพวกอะเรื่าง แถวเกาะตลมพุกแถวๆนั้นก็มีแต่พวกชาวประมงชาวไรที่มีมีแหมีอวนมีไรพวกนี้ก็ฝึกน ะ, จะเจริญรอยตามตระกูลถือแหถืออวนไปวันหนึ่งก็ไปทอดแหในแม่น้ำอาจิราวดีตอนนี้ก็เหลือแต่ซรายแล้วนะแม่น้ำอจิราวดีน้านิดเดียวปลาสีทองก็ติดแหชาวประมงทั้งหมดเห็นดังนั้นก็พากันร่าเริงดีใจ ว่าลูกๆของพวกเรานี่เมื่อจับปลาก็จับได้ปลาสีทองโอ้สวยจริงๆนะได้ปลาทองสงสัยมีราคามากเลยนะเพราะปลาคราบตอนนี้ก็ตัวเป็นแสนนะนี่ปลาพวกนี้ปลาสีทองนี่สงสัยจะแพงมาก <c oughs> ทีนั้นสหายทั้ง5้าร้อคนเหล่านั้นก็ใส่ปลาลงไปในเรือแล้วก็ยกเอาไปทั้งเรือเลยนยะกลัวปลาจะตายนะเอาปลาไปเป็นๆดีกว่าหามเรือไปแสดงแกพระราชาพระราชาเห็นดังนั้นก็เลยคิดว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าจักทรงทราบเหตุที่ปลานี้เป็นทองจึงให้จับปลานั้นไปแสดงแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าคือมีเรื่องอีกหนึ่งนะว่าปลาเนี่ยพออ้า ป, ปากเท่านั้นกลิน่นเหม็นขา ว, ขาวขคระคลุ้งเต็มสถานที่ไปหมดพระองค์ก็ตรัสว่าผู้นี้นะในอดีตเมื่อาศาสนาของพระพุทธเจ้าเสื่อมเขานี่บวชแล้วปฏิบัติผิด คือปฏิบัติผิดก็คือตอนแรกก็ทรงพระไตรปิฎกตอนหลังก็บิดเบือนคําสอนทำาศาสนาให้เสื่อมตาแล้วก็ไปเกิดในนรกไม่อยู่ในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่งจุติจากชาตินั้นแล้วอัตภาพนั้นก็มาเกิดเป็นปลาในแม่น้ําอจิราวดตีน่าขีนะ้นจโจรเนี่ยเที่ยวปล้นแนละ้วไปเกิดเป็นเทวดาพุทธันดรหนึ่งพระบวชมาทรงพระไตรปิฎกไงตกนรกพุทธันดรหนึ่งอีกเหมือนกันโอ้ไม่ไหวเลยนะอย่างนี้ <c oughs> ฟังแล้วก็ทําไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้นะ ชนอยู่ในสวรรค์พุทธันดรหนึ่งนะพระพิสุทรงพระไตยปิดกตกนรกพุทธันดรหนึ่ง <Okay. S 1> ตกนรกก็เพราะบิดเบือนคำสอนนนมีโทษอยู่แล้วล่ะ <c oughs> พระ อ, องค์ก็เลยทรงให้จับปลานั้นนั่นแหละให้เล่าถึงความที่เขามาดาพี่หญิงเกิดในนรกและพระเถระผู้พี่ชายของเขาเนี่ยปรินิพานแล้วก็ถามว่าอ้า ตอนนี้แม่และน้องสาวของเธอก็ถามอย่างนี้ก่อนเธอมาจากไหนบอกมาจากอเวจีนรกพระเจ้าค้านะแม่และน้องสาวของเธออยู่ที่ไหนแม่นี่เป็นภิกษุณีน้องสาวก็เป็นภิกษุณีก็ถือเอาเยี่ยงอย่างพระกปิละนี่แหละตอนนี้แม่กับน้องสาวเธออยู่ที่ไหนอยู่ในนรกพระเจ้าค่ะพี่ชายของเธอละปรินิพานแล้วคือวันที่ทําลายศาสนาวันนั้นอภารท่านปรินิพานหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงกัปปิลสูตรนะนี เพราะเหตุเกิดเรื่องนี้นั้นบุตรชาวประมงฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เกิดธรรมสังเวทเกิดความสังเวทขอบรรประชาอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ลองฟังเนื้อความในพระสูตรในกปิละสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงนะข้อความในธรรมจริยสูตรหรือกปิละสูตรคุตการนิกายสุตตานิบาตเล่ม47ข้อ2 2งรหน้า210ร้กล่าวว่า พระอริยะทั้งหลายกล่าวความประพฤติทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระทั้งสองนี้คือธรรมจริยาและพรหมจริยาว่าเป็นธรรมะเครื่องอยู่อันสูงสุดนะนะว่าการประพฤติเป็นธรรมเนี่ยแหละชื่อว่าเป็นธรรมะที่สูงสุดแล้วว่างั้นถึงแม้บุคคลออกจากเรือนบวชเป็นบรรปชิตถ้าบุคคลนั้นบวชเข้ามาแล้วเป็นชาติปากกล้าพูดมาก น, นะ ยินดีแล้วในความเบียดเบียนสแสวงหาอยู่คือเรียกว่าแสวงหาการทะเลาะวิวาทแสวงหาความเบียดเบียนผู้อื่นความเป็นอยู่ของบุคคล น, นั้นเลวทรามย่อมยังกิเลสมีทุลีคือราคะเป็นต้นของตนให้เจริญเนี่ยนะกิเลกก็ครอบงําย่ยํายีไปด้วยเพราะเป็นเป็นผู้มีปกติเนี่ยเบียดเบียนผู้อื่นหาเรื่องผู้อื่นไปด้วยภิกษุผู้ยินดีแล้วในความทะเลาะถูกโมหะหุ้มห่อแล้ว ย่อมไม่รู้ทำที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโมแต่ทะเลาะเบาแว้งกันเห็นว่าแต่คนอื่นเป็นคนเลวเป็นต้นเนี่ยนะตัวเองก็เมื่อขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันไม่เข้าใจในธรรมคาสอนอะไรเลยแม้อันเหล่าภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักบอกแล้วภิกษุผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อแล้วทําตนที่อบรมแล้วให้ลําบากอยู่ย่อมไม่รู้ความเศร้าหมองย่อมไม่รู้ทางอันให้ถึงนรกถึงพี่ชายมาเตือนถึงโทษที่บิดเบือนคําสอนเป็นต้นเนี่ยนะ ถึงพิสูุผู้มีศีลมาแนะนําก็ไม่ยอมฟังก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําคําที่พูดทุกอย่างนี่ประตูนรกหมดเลยเมื่อไม่รู้ก็เข้าถึงวินิบาตจากคันเข้าถึงคันจากคันหนึ่งสู่คันหนึ่งนะจากที่มืดเข้าถึงที่มืดเนีที่นรกมืดหรือเปล่า น, นะตกนรกตั้งพุทธันดร น, นะพิกษุผู้เช่นนั้นแลละไปแล้วย่อมเข้าถึงความทุกข์ ก็บุคคลใดผู้มีการงานเศร้าหมองเห็นปานนี้ตลอดกาลนานพึงเป็นผู้เต็มแล้วด้วยบาปเหมือนหลุมคูดที่เต็มอยู่นานปีพึงเป็นหลุมเต็มด้วยคูดฉะนั้นนะเรียกว่าเหมือนกระโถน ท, ท่อท่อส้วมหลังห้องน้ำะนะมันนะมันก็ว่าหมักหมมมาหลายหลายปีแล้วอุจาระเต็มเนี่ยถึงเอามาชำระทำให้สะอาดก็ยากบุคคลนั้นเป็นผู้มีกิเลสเครื่องยีโวนหมดจดได้ยาก ยิ่งพุทธพจน์นี่ไม่ใช่คำไม่ใช่คำเบาๆเลยนะถ้าเป็นภาษาของคนโบราณเนี่ยฟังหนักมากกขาบอกว่าศกกปรกเหมือนส้วมอ น, นกัศกปรกเหมือนหล่มส้วมเลยเหมือนกันดูก่อนพิสูุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงรู้จักบุคคลผู้อาศัยเรือนผู้มีความปรารถนาลามกผู้มีความด âm ฤลามกผู้มีอาจาระและโคจรลามกเห็นป่านี้คือศีลก็ไม่ดีเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะ เธอทั้งปวงเพืงเป็นผู้พร้อมเพียงการเว้นบุคคลนั้นเสียจงกำจัดบุคคลผู้เป็นเพียงดังแกลบ น, นะนะเพราไม่มีสาระใช่เป็นแกลบอนะนะที่ไม่มีข้าวสารอะไรอยู่เม็ดในเลยจงฆ่าบุคคลผู้เป็นเพียงดังอยากเยื่อเหมือนกองขยะออกไปแต่นั้นจงขบบุคคลรีบผู้ไม่ใช่สมณะแต่มีความสำคัญตนว่าเป็นสมณะไปเสีย คันกำจัดบุคคลผู้มีความปรารถนาลามกมีอาจาระและโคจรลามกออกไปแล้วเธอทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วมีความเคารพแก่กันและกันจงสําเร็จการอยู่ร่วมด้วยบุคคลผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายแต่นั้นเธอทั้งหลายพร้อมเพียงกันมีปัญญาเครื่องรักษาตนจากกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เนี่ยนะพระองค์ก็สอนคําสอนอันนี้ใช่พวก บทชาวประมงห้0รเนี่ยพอฟังแล้วก็ศรัทธาเรื่อมใสสังเวชสลดใจเลยออกบวชเลย <c oughs> นี้พอออกบวชมาเนี่ยนะออกบวชตอนหลังก็มีศรัทธาอยากจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าธรรมเนียมของพระพิสุตสมัยก่อนเนี่ยนะก่อนเข้าพรรษาจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งออกพรรษาก็จะเข้าไปเฝ้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็ปีละสองครั้ง ส, ส่วนใหญ่นะเพราะว่าไม่สามารถจะไปอยู่พร้อมกันได้ทั้งหมดนะ เพราะว่าพระภิกษุเยอะมากะนะก็คิดดูว่าสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าจาริกประชาชนออกบวชกันเป็นอย่างตอนปริณิพานเนี่ยภิกษุไม่ต่ํากว่าเจ็ดแสนไม่ต่ากว่าเจ็ดแสนที่ที่ไปในงานปริณิพานเนี่ยนะพระภิกษุเนี่ยเยอะมากก็ประเทศไทยประเทศเล็กๆตอนนี leg, ้ก็มีพระภิกษุเท่าไหร่ ก็สามแสนกว่ารูปนี่นะสามสนกว่ารูปถ้าอินเดียเนี่ยนะประเทศไทยนิดเดียวขนาดนี้ยังพิสูจขนาดนีนะ้อินเดียนี่ไม่ใช่พระน้อ ย, น, อยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยบวชเยอะมากนี่ก็วันที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เจรจาปราศัยกับพิสูนเจ้าถิ่นใช่ไหมเป็นไงเสียงดังสบายก็คุยกันนะท่านสบายดีรือนไรนะคุยไปจัดข้าว ข, ของเครื่องใช้ระงมดังระหมดเลย บางทีก็มัวแต่ตั้งแต่งตั้งเสนาสนะถามที่อยู่ถึงอาจารย์แก่อุปชาถึงแก่ตัวเองอะนะภิกษุเจ้าถินก็ช่วยกันจัดแจงบอกนี้ของท่านนี้ของอาจารย์ท่านนีอ้อุปชาของท่านบอกขนดังขนกันไปขนกันมาเสียงสนั่นไปหมดเรีย <c oughs> กว่าเป็นผู้มีเสียงดังเสียงใหญ่เหมือนกับเกวตตามันเยมัตมชวิโลเปได้แก่ในการแย่งชิงปลาเหมือนชาวประมง แสดงว่าพิกูจนเหล่านั้นเป็นเหมือนชาวประมงผู้จับปลาได้นามว่าเกวัดเพราะวนเวียนอยู่ในน้ําคือเป็นไปเพื่อจับปลาทอดแหลงไปในน้ําเพื่อจับปลาได้มีเสียงอึกกระทึกครึอโครมโดยนายเป็นต้นว่าเข้าหรือไม่เข้าจับได้หรือไม่ได้เวลาชาวประมงแย่งปลาเนี่ยนะเวลาหวานแหจริงๆอย่ากคิดแบบนี้นะเสียงสนั่นไปหมดเลยเมื่อมหาชนไปในที่ที่เขาวางกระเช้าปลาเป็นต้นก็แย่งกันพูดเป็นต้นว่า ท่านให้ปลาตัวหนึ่งแก่เราจงให้ปลาพวกหนึ่งแก่เราเขามาเคยอยู่ใกล้แม่น้ำมูลไอ้เวลาหาปลาพวกเสียงพวกหาปลาก็คร่ำไปหมดไอ้พวกไปซื้อปลาเนี่ยนะพอพวกนั้นอยู่กลางน้าไอ้ฝั่งนี้ก็ตะโกนไปได้ไหมไอ้ฝั่งนึงบอกได้ก็ตัวคุยกันเสียงสนั่นไปหมดไอ้พวกใกล้ๆที่อยู่เราด้วยนะก็ฟังไอ้พวกหาปลาคุยกันนั่นแนหะ <c oughs> ละเราทีก็มาคุยกันว่านะจงให้ตัวหนึ่งแก่เราจงให้พวงหนึ่งแก่เราอนะ่ไง บางคนเอาตัวเดียวพอแล้วคนเอาเป็นพวงเลยบางคนก็บอกเอาตัวใหญ่ๆนะคบอกเอาตัวเล็กอย่างเง้ยนะเสียงกระทึกครึกโครมมันพระพิสูจ์เหล่านี้ก็สนทนาเหมือนกับชาวประมงแบ่งปลาแย่งปลากันอยู่นี่แหละพระองค์ก็แสดงว่าณโวมมะสันติเกวัตพังบอกว่าพวกท่านอย่าอยู่ในสำนักเราเนี่ยนะที่บอกประนามก็แปลว่านําออกไปแสดงว่าเธอเหล่าใดมายังที่ประทับของพระพุทธเจ้าผู้เช่นเรา กระทำเสียงดังอย่างนี้ถ้าอยู่ตามธรรมดาลำพังของตนเนี่ยจักกระทําให้สมควรได้อย่างไรคนเช่นพวกเธอไม่มีกิจที่จะอยู่ในสำนักเราไปเหะมาทางไหนก็เลยโปรดกลับไปทางนั้นเถอภิกษุเหล่านั้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประนามอย่างนี้แม้รูปเดียวก็ไม่ได้คําตอบว่า ไม่กลา้าไม่กลา้าโต้อตอบอะไรเลยนะไม่กล้าตอบแม้กระทั่งว่าข้าแต่พระองค์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงประนามข้าพระองค์ด้วยเหตุเพียงเสียงดังหรือไม่ได้ให้คาอะไรอะไรอื่นด้วยพุทธคารวะภิกษุทั้งหมดเมื่อรับพระหนะมายคือว่าด้วยพุทธคารวะมาความเคารพในพระพุทธเจ้าไม่กลา้าโต้อตอบเงียบอย่างเดียวแล้วก็ปฏิบัติตามพระรับสั่งนะเมื่อรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าแล้วพากันออกไป การประนามพระพิกูจน์ส่งเนี่ยนะไม่ใช่มีสูตรนี้สูตรเดียวที่อื่นก็มีประนามบางแห่งเนี่ยประนามอย่างลูกศิษย์ภ า, าบุตรลูกศิษย์พระโมคคัลลานะก็โดนประนามนะโดนประนามในเกี่ยวกับเรื่องบิณฑบาตเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องบินทบาตนะพระองค์ก็ประนามแต่ประนามนั้นประนามที่เมืองกระบิ่ลพัฒอันนี้ประนามที่เชตวันที่เมืองกระบิลพัฒก็ประนามแต่ประนามเสร็จอตอนหลังพระองค์ก็ให้พรหมมาราชนา ม, มาขอร้องให้ให้สงเคราะห์พิสูจนเหล่านั้นเถอะ น, นะพราะพิสูจเหเรานั้นก็มาเข้ามาเฝ้าและพระองค์ก็แสดง เ, เกี่ยวกับเรื่องบินทบาทให้ฟังพิสูจเหเรานั้นจบก็บรรลุเป็นพระหันกันนี่ก็เหมือนกันดังนั้นการประนามแก่ผู้ใดเนี่ยนะประนามแบบนี้ได้ผล น, นะเว้นไว้แต่ว่าแบบกปิละเมื่อกี้เนี่ยนะสูตรแบบเมื่อกี้เนี่ย น, นีอันนี้คือประนามลักษณะว่าสงเคราะห์เข้าไม่ได้แล้วเป็นการเจริญอุเบกขา ก็ท่านเหล่านั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพวกเราจักเข้าเฝ้าพระาศาสดาจักฟังธทำจักอยู่ในสำนักของพระาศาสดาเพราะฉะนั้นจึงพากันมาแต่พวกเรามายัางสำนักของพระาศาสดาผู้เป็นครูเช่นนี้แล้วกระทําเสียงดังนี้เป็นโทษของพวกเราเท่านั้น น, นะพิะสูเหล่านี้เป็นผู้ติตนตําหนิตนผู้ที่จะตรัสรูมม้มรรคผลเนี่ยนะจะต้องเป็นคนที่ตําหนิตัวเองอ น, นะผู้ที่ชอบเพ่งโทษผู้อื่นก็อย่างที่กล่าวไปแล้วใช่ไหมว่าไกลาจาก นิพพานนั้นคนที่จะตรัสรู้เป็นคนที่เห็นความผิดของตัวเองแล้วก็ตั้งใจทําคืนนั่นคือผู้ที่เจริญในพระศาสนานี้เพราะฉะนั้นพวกเราถูกประนามเพราะโทษเราเลยไม่ได้อยู่ในสำนักของพระศาสดามไม่ได้ชมพระชฉมมีผิวมีสีเหมือนทองคําอันนำมาซึ่งความเลื่อมใสรอบด้านไม่ได้ฟังธรรมที่ทรงแสดงด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะภิกูจน์เหล่านั้นเกิดความน้อยใจอย่างรุนแรงแล้วก็พากันหลีกไปตำหนิตัวเองนี ไม่ได้ตำหนิพระพุทธเจ้าว่านี่เป็นความผิดของพวกเราแท้ๆเลยเข้ามาเฝ้าแล้วยังเสียงดังเอไอะโวยวายไปหมดทีนี้ท่านก็ลีกไปสู่ไปไปสู่แว่น้ำวัคคุมุธาเนี่ยนะแม่น้ำสายนี้เป็นสมมุติว่าเป็นบุญของชาวโลกเขาอาบไวอาบน้ำล้างบาปแถวๆนั้นกันท่านเหล่านั้นเนี่ยอัตกเมณะปรารถนาแต่ประโยชน์ตนเท่านั้นไม่มุ่งถึงการประกอบอะไรอะไรบทว่าฮิเตศนาได้แก่ ปรารถนาประโยชน์คือมีปกติสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลกล่าวคืออัตถะหรือที่เป็นเหตุของประโยชน์นั้นว่าอันนี้พูดถึงพุทธคุณใช่ั้ยพโยสะยะโสชาเนี่ยสอนสอนลูกศิษย์ท่านว่างไงนะในหน้าส0 6้ข้อเจ็ดาที่พะโยโสชาเนี่ยสอนลูกศิษย์ว่าท่า น, ท, านท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใครประโยชน์ทรงสแสวงหาประโยชน์ทรงอนุเคราะห์ทรงอาศัยความอนุเคราะห์ประ น, นามเราทั้งหลายก็คือถูกประนามเนี่ยถูกประนามด้วยกรุณานะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใครประโยชน์แก่เราทั้งหลายผู้อยู่ด้วยประการใดเราทั้งหลายจงสระจงสเร็จการอยู่ด้วยประการนั้นเถิด อันนี้ก็อธิบายคำว่าอัตฐกามีนะพระองค์นี้ปรารถนาแต่ประโยชน์เท่านั้นที่พระองค์ประนามเราก็เพื่อให้เราได้รับประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งนะนะฮิเตศนาปราปรถนาประโยชน์คือมีปกติสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลกล่าวคืออัถะและก็ประโยชน์ที่เป็นเหตุนั้นว่าชไหนเนะสาวกของเราพึงหลุดพ้นจากวัฏฏุกหรือว่าสาวกของเราพึงหลุดพ้นจากวัฏฏุกได้เพราะเหตุไร เพราะพระองค์นี้พ้นแล้วพระองค์ก็ปรารถนาจะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยใช่ไหมใจกรุณาของพระองค์ที่มีต่อสัตว์ว่าทนะําำไงเขาจะได้พ้นทุกข์ทําำไนที่เขาจะได้พ้นทุกข์ใช้วิธีใดประการใดอย่างไรเนี่ยเขาจะพ้นทุกข์ได้พระองค์ก็ทําอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงชื่อว่าผู้ทรงอนุเคราะห์แปลว่าผู้มีใจกรุณาอนุเคราะห์คือผู้มีใจกรุณาเพราะพระองค์นี้อนุเคราะห์ไปตามสํานักเวณัยศัสต ร, ร์แม้ที่ไกล พระองค์ก็ไปไม่คํานึงถึงความลําบากทางพระวรกายเลยพวกเรานี้ถูกประนามเพราะอาศัยความอนุเคราะห์ไม่ใช่ถูกประนามเพราะหวังความขวนขวายเป็นต้นของตนเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้หนักในธรรมพระองค์ในทรงประนามแม้เหตุเพียงทําเสียงดังจึงควรบูชาด้วยสัมมาปฏิบัติเท่านั้นเพราะฉะนั้นแก้ตัวด้วยการปฏิบัติตามธรรมนะนะปฏิบัติชอบปฏิบัติ ต, ตรงนั่นเอง อาวุโสเอาเถิดเราสำเร็จการอยู่อย่างนั้นคือเราจะบำเพ็ญอปันากัปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติที่ทำแล้วไม่ผิดอปันากาคือไม่ผิดนั่นเองด้วยการประกอบด้วยสติสัมปชัญญะในที่ทุกสถานเพราะฉะนั้นทุกอารมณ์ทุกทวารทุกอย่างที่เรารับนะต้องเจริญสติประฐานสี่และสัมปชัญญะ4ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทากรรมฐานตามที่กาหนดเอาไว้ให้ถึงที่สุด เชื่อว่าสําเร็จคืออยู่ด้วยอริยาบทวิหารทั้งสเพราะอริยาบทสี่ต้องเป็นไปกับกรรมฐานเจริญสติปัฏฐานสี่เจริญสัมชัญญะทั้งสี่ประการบทว่ายถ า, านโนวิหารตังความว่าเมื่อเราอยู่โดยประการใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพึงเป็นผู้มีพระทัยยินดีคืออันพวกเราพึงได้โปรโดปรานด้วยสัมมาปฏิบัติบูบชาถ้าเราจะให้พระพุทธเจ้า ยินดีนะอยากให้พระพุทธเจ้าอนุโมทนาเราก็ต้องปฏิบัติชอบปฏิบัติให้ดีพระองค์จึงจะอนุโมทนาพระองค์จึงจะยินดีกับเราภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดห้ารอก็ทําให้ประจักษ์แก่ตนซึ่งวิชาสามคือระลึกชาติได้กันทุกรูปเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายในยนะที่พระจักษขูญานอาสวัคยายานก็คือปฏิบัติอรหัตตมรรคจนสําเร็จอรหัตผลเพราะว่าท่านนีละ ท่านนั้นแทงตลอดขันที่เคยอยู่ในอดีตขันคือโมหะอันเป็นตัวปกปิดคือโมหะนี้ปกปิดอะไรโมหะนี้ปกปิดขันที่เคยอยู่ในอดีตเป็นต้นปกปิดไม่ให้รู้สัตสัตตายสัตเกิดจุติอุบาทกรรมที่ทำให้เกิดในภพภูมิต่างๆแล้วก็อวิชานี่แหละตัวปกปิดไม่ให้เห็นอริยสัตนี่แนะ เมื่อพิสูจนเหล่านั้นปฏิบัติจนได้วิชาวิชาคือรู้อดีตรู้อนาคตแล้วก็แทงตลอดอริยสัตว์ได้แล้วเนี่ยเพื่อแสดงว่าบรรดาโลกียาภิญญาภิญญาสองนี้มีอุปการะมากแก่อาสวกขยายนละลึกชาติได้ละลึกชาติได้รู้สัตว์เกิดสัตว์ตายเนี่ยนะมีอุปการะมากต่อการแทงตลอดอริยสัตว์ส่วนหูทิพรู้วาระจิตแสดงฤทธิ์หาเป็นเช่นนั้นไม่อันะ หูทิพนี่โดยมากแล้วไม่ได้ช่วยให้เห็นอริยสัจเลยใช่ไหมหูทิพก็เช่นมีโทรศัพท์คุยกันได้ทั่วไปหมดเลยใกล้รู้อริยสัจไหมจับโทรศัพท์ก็นี้ทุกข์หรือสนทนาอริยสัจเป็นต้นเนี่ยนะทั้นหูทิพบางทีไม่ได้ช่วยเลยรู้วาละจิตผู้อื่นก็เหมือนกันรู้ว่าคนอื่นเขาคิดอะไรนี่ช่วยให้พ้นอริยสัจไหมโดยมากนะพูดถึงโดยมากก็ไม่ค่อยมีแสดงฤทธิ์ได้เนี่ยนะเหาเหินเดินอากาศได้เนี่ยช่วยให้รู้อริยสัจง่ายไหม ไม่ง่ายนั่นนะเพราะฉะนั้นในเวรัญชสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงการที่พระองค์ทรงบรรลุแก่เวรัญชพรามก็สแสดงเฉพาะวิชาสามไม่ยกหูทิพเป็นต้นนั่นนะเพราะว่าสิ่งที่อุปการะต่อการบรรลุคือรู้เลิกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายพร้อมทั้งกรรมที่ทำให้เกิดกรรมที่ทาให้ไปเกิดหน้าที่ต่างๆและก็วิชาว่าด้วยการรู้อริยสัตนั่นเอง นัหลังจากนั้นพระองค์ก็ประทับในพูดถึงพระองค์ประนามที่เมืองไหนตอนที่ประนามเนี่ยประนามที่ที่ไหนอพระองค์ประนามที่วัดพระเชตวันเนี่ยนะประนามที่วัดพระเชตวันออกพรรษาแล้วพระองค์ก็เสด็จไปทางเมืองไผ่าลีทีนี้ที่บอกว่าพระองค์เนี่ยอยู่ตามพุทธาพิรมเนี่ยนะยะถาพิรันตังเนี่ยก็คืออยู่ตามความพิรมอยู่หรืออยู่ตามความพอใจเนี่ย ไอ้คำว่าอยู่ตามความพอใจเนี่ยพอใจยังไงหมายค่ะว่าพอถูกใจก็อยู่ไม่พอใจก็ออกจากไปอย่างไงหรือเปล่าจริงอยู่ธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ประทับอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งย่อมไม่มีความยินดีคือไม่ใช่ว่ายินดีด้วยฉันนราคะเพราะอะไรเพราะอาศัยว่าที่นี่วิบัติแห่งร่มเงาเล่น้ําเป็นต้นหมายค่ะว่าเหตุผลที่ไม่อยู่ไม่ใช่ว่าที่นี่ไม่มีร่มไม่มีน้ํา หรือเสนาสนะไม่สบายหรือความที่พวกมนุษย์ไม่มีศรัทธาเป็นต้น น, นะเพราะเขาไม่เลื่อมใสเลยไม่อยู่เลยไม่ใช่อย่างนั้นแม้การประทับอยู่นานอยู่ที่ใดก็ตามเถิดพระองค์ดำริว่าอยู่ผาสุขเพราะสมบูรณ์ก็ไม่มีแก่พระพุทธเจ้าหมายคาะว่าจากที่ใดหนึ่งก็ไม่ใช่บอกว่าที่นี้ไม่มีน้ําที่นี้ร่มเงาไม่ดีเสนาสนะไม่สับ ป, ปยะยคนไม่มีใครเขาเลื่อมใสหนีไปซะเลย หรือที่อยู่นานก็ไม่ใช่อยู่เพราะเหตุผลว่าที่นี่ร่มก็ดีน้ำก็สะดวกเสนาสะนะก็สบายคนทั้งหลายเขาก็มีศรัทธาเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่นานๆหน่อยพระพุทธเจ้าไม่ใช่แบบนั้นก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณที่ใดมนุษย์ทั้งหลายตั้งอยู่ในสารณะสมาทานศีลบวชหรือบรรลุโสดาปติมภ์เป็นต้นพระองค์จึงประทับอยู่ เพื่อให้มนุษย์เหล่านั้นตั้งอยู่ในสารณะสมาทานศีลบวชหรือบรรลุมรรคผลเมื่อไม่มีสมบัติอันนั้นหมายความว่าอยู่ต่อไปแล้วสารณะศีลการบวชบรรลุมรรคผลไม่มีเลยพระองค์ก็เสด็จหลีกไปอันนี้นี่คือเหตุผลที่พระองค์จารกจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งเนี่ยนะถ้าหากว่าจะนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าอย่าเสด็จไปเลยก็ต้อง คนไม่มีสารณะแล้วขอถึงสารณะขอพระ อ, องค์อยู่เถอะมาสรงข้อข้าพระ อ, องค์ให้มีสารณะหน่อยเป็นต้นถ้าอย่างเงี้ยพระ อ, องค์กลับนะอย่างนางปุณณะศรีเ น, น, นี่ยนะเอ่อใครนางปุณณะศรีคือใครคือทาสของอนาถาปินทิกาเศรษฐีมีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกจะจากเมืองสาวัตถีเวลาวอนาถานั่งเศร้าทํำยังไงเนาะมันมลพระพุทธเจ้าไม่กลับ นางปุณณธาศีก็เลยบอกว่านายเสียใจเรื่องอะไรเสียใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ประทับอยู่เนี่ยยังไงพระองคก็ไม่กลับเดี๋ยวเดี๋ยวข้าพเจ้าจัดการเองก็เลยขออนุญาตนายเนี่ยไปนะก็ไปอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าให้พระองค์อยู่บอกอยู่แล้วทำไมบอกข้าพระองค์จะถึงสารณะสมาทานศีลพระเจ้าค่ะพระองค์เลยกลับเลย น, นะเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เคารพธรรมเนี่ยนะนะ แต่ถ้าหากว่าอยู่แล้วสารณะก็ไม่เพิ่มศีลก็ไม่มีบวชก็ไม่บวชบรรลุอะไรก็ไม่มีง้อยเงาซึมเศร้าก็วยน่าจะไปอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีการถึงสารณะเป็นต้นพระองค์ก็เสด็จหลีกไปในการนั้นพระองค์ไม่มีพุทธกิจที่จะพึงกระทําในกรุงสาวัตถีก็ชื่อว่าการจาริกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีสองอย่างคือจาริกรีบด่วนกับจาริกไม่รีบด่วนนะรีบกับไม่รียบนะ ในการที่พระองค์เห็นพุทธเวไนโพธเวไนโพธเวไนเนี่ยนะหรือโพธนยะแปลว่าบุคคลที่พอรู้ได้บุคคลที่พอบรรลุได้เนี่ยแม้อยู่ในที่ไกลพระองค์ก็รีบไปให้บุคคลเหล่านั้นตรัสรู้อันนี้ชื่อว่าจาริกไปโดยรีบด่วนจาริกแบบรีบดวนเช่นไปต้อนรับพระมหากัสสปะเป็นต้นไปสงเคราะห์ใครองค์ุลีมานอันนี้ก็รีบไปไปสงเคราะห์ใครอีกที่ลักษณะรีบไปเลยน ะ, ะไป สงเคราะห์ปกุศสาติกุลบุตรนี่พระองค์ก็รีบไปนะหลายกรณีที่พระองค์รีบไปไปแบบไม่บอกใครเลยนะไปแบบบางครั้งก็เหาะไปบางครั้งก็เดินทางทั้งวันเลยนะเดินทางไม่พักเลยทั้งวันก็มีอันนี้เรียกว่าจาริกรีบส่วนการจาริกเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกนะให้สัตว์โลกเนี่ยได้ใส่บาทเป็นต้นพระองค์นี้จาริกโดยหนทางหนึ่งโยตบ้างกึ่งโยดบ้างทุกวัน วันละ16กกิโลบ้าง8ปกิโลบ้าง10บกิโลบ้าง5ก้กโลบ้างก็ตามสมควรนะนะก็ไปเรื่อยตามลําดับขามนิคมราชธานีอันนี้เรียกว่าเสด็จจาริกโดยไม่ไม่รีบร้อนเนี่ยนะเพราะเขาจะได้ชื่นชมนะนะคนที่พิการไปไหนไม่ได้อย่างน้อยก็ได้มีตาเห็นพระพุทธเจ้านะสุขภาพใหม่ดีคนชาราเป็นต้นก็จะได้ฟังธรรมได้สายบาศ นะแก่พระภิสุสง์เป็นต้นเขาก็จะได้มีโอกาสได้เจริญกุศลได้ทําบุญเพราะการเดินทางสมัยนั้นไม่เหมือนสมัยนี้นะใช่ไหมสมัยนี้ถึงเดินทางสะดวกก็อ้างเหตุผลนะชะลาแล้วแก่แล้วไปไม่ได้มีเหตุผลจนไม่ต้องเจริญแต่พระองค์ก็มีกรุณานะมีใจนะุเคราะห์ก็เสด็จจาริกไปให้เขาเห็นให้เขาได้ยินให้เขาได้เคารพได้กราบได้ไหว้ได้บูชาด้วยระเบียบดอกไม้ของหอมนะหรือด้วยการให้ทาน ด้วยการเข้ามาฟังธรรมที่จะได้เป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยให้บรรลุมรรคผลเป็นต้นครั้งนี้ก็เหมือนการเสร็จกิจที่เมืองสาวัตถีเพราะไม่มีที่ไม่มีคนที่พอจะสงเคราะห์ให้อยู่ในสารณะสมาทานศีลบวชหรือบรรลุมรรคผลพระองค์ก็จาริกโดยไม่รีบด่วนไปทางเมืองภัยสาลีเนี่ยนะภัยสาลีหรือเวสาลีทาไมเมืองนี้จึงชื่อแบบนี้เพราะนาครของพวกเจ้าลิชวี ฤทชวีสินะนครของพวกเจ้าฤทชวีได้นามว่าเวสาลีเพราะเป็นเมืองขยายให้กว้างถึง3ครั้งขยายเมือง3มรอบอ่ะนะแล้วก็ที่ป่าชื่อว่ามหาวเนกเรียกว่าป่าใหญ่มหาวมหาวใหญ่ใช่ไหมวเนกป่าป่าใหญ่หรือป่ามหาวันทับศัพท์ได้แก่ป่าที่เกิดเองไม่มีใครปลูกสร้างเป็นป่าใหญ่มีมีเขตกําหนดก็ป่ามหาวันนี้ใกล้ใกล้เคียงเมืองกระบิละพั์ เป็นป่าไม่มีเขตกําหนดเนี่ยนะคือเป็นป่าใหญ่คล้ายกันแต่ป่าเมืองกบิ่พัดเนี่ยเป็นป่าเกี่ยวเนื่องไปจนถึงเกี่ยวเกี่ยวเนื่องถึงอะไรถึงป่ามหาวันเนี่ยโน่นไปจอดทะเลเนี่ยนะจากเมืองเมืองไผ่สาลีไปทะเลน่าจะไม่ไกลเท่าไหร่นะจากไผ่สาลีไปทะเลไม่ไกลเท่าไหร่เพราะไผ่าลีกับป่าตาลีบุตรไม่ไกลกันมั้นเวลาเขาจะเดินทางไปศรีลังกาก็จะไปข้ามทะเลกันนะนะ ก็ล่องคงคาไปได้แล้วก็ไปสู่ปากอ่าวข้ามไปศรีลังกาได้ป่ปาเนี่ยมีไปเทือกยาวมากนะป่าใหญ่ไปจนถึงทะเลนั่นแหละกูตาคาราสาลายังความว่าในอารามที่สร้างอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าในป่ามหาวันนั้นน่ะที่ไหนที่มีรูปอะไรนีตอนนี้มีรูปอะไรรูปสิงห์เลยรูปสิงเนาะที่อ่านะรูปสิงห์หมอบนะสิงหมอบที่ที่เสาอ่ะนะตรงนั้นน่ะ พระคันธกุตีของพระผู้มีพระภาคเจ้าสมบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงสร้างโดยมุงหลังคาเป็นวงกลมมีสวดทรงคล้ายหงโดยมีกูตาคารอยู่ภายในชื่อว่ากูตาคารสาลาพระองค์ก็เข้าไปประทับอยู่ที่กูกูตาคารสาลาในป่ามหาวันนะพระพิสูจน์ทั้งหลายก็จะได้มีที่ลีกเกรนกันปัจเจริญกรรมฐานกันเต็มที่หลังจากนั้นพระองค์ก็ตรวจดูนะตรวจดู เห็นพระพิสุห้ารอรูปเหล่านั้นน่ะที่อยู่ฝั่งแม่นะ้ําวัคู่มูธาเนี่ยอาโลกชาตาวิยะหมายว่าสว่างมากเลยนะทิศเหล่านั้นที่พิสุห้ารอรูปสว่างเหมือนอะไรเหมือนพระจันทร์เนี่ยแสงสว่างของพระจันทร์พัานดวงเหมือนแสงสว่างพระอาทิตย์พัานดวงก็เพราะเหตุที่พิสุห้ารอรูปมีพระยะโสชะเป็นประมุกนั้นเป็นผู้สว่างสวัยเพราะกําจัดความมืดคืออวิชาโดยประการทั้งปวงนันเ ก็เป็นผู้มีบุญนะนะเป็นผู้มีบุญบรรลุมรรคผลอยู่ในทิศทางใดก็ถือว่าสว่างสวัยสำหรับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ยมองเห็นผู้ที่ตรัสรูม้มรรคผลเนี่ยนะมีอุปนิสัย เ, เห็นผู้มีอุปนิสัยที่ตรัสรูม้มรรคผลเนี่ยถึงมองจากภายนอกคนทั่วไปมองไม่ออกแต่พระองค์มองออกเหมือนกับว่าแสงสว่างอยู่ในตุ่มนะต้องไปเปิดหน่อยแล้วความสว่างจะได้ปรากฏฉะนั้น ทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็สันเริญภิกษุเหล่านั้นโดยการอ้างพันนาคุณของภิกษุเหล่านั้นแล้วก็สั่งให้พระอนนท์ไปบอกพระภิกษุนะไปบอกพระภิกษุรูปหนึ่งให้ไปตามพระภิกษุ500รรูปใ้นเข้ามาเฝ้าบทว่าอปติกูลาได้แก่ไม่น่าเกลียดอธิบายว่าน่าชอบใจน่ารื่นรมใจนะที่ใดที่พระอรหันต์อยู่เนี่ยแมพระพุทธเจ้าเนี่ย ดีใจมากเลยนะไม่ใช่เป็นนึกถึงกองขยะที่ปฏิกูน่ะนะไม่ใช่นึกแบบนั้นนึกในทิศนั้นและพระองค์ดีใจจริงอยู่ทินที่ท่านผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่สแสวงหาอะไรสแสวงหาศีลเป็นต้นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นต้นอยู่นั้นมีอาการเหมือนเป็นที่ลุ่มคลุกคละไม่สม่าเสมอก็จริงภายนอกดูเป็นอย่างนั้นถึงกระนั้นสถานที่นั้นก็เป็นที่น่าฟูใจรื่นรมใจทีเดียว ดังที่พระองค์ตรัสว่าผ้ารหันทั้งหลายอยู่ในที่ใดไม่ว่าจะเป็นบ้านก็ตามอยู่ที่ป่าก็ตามอยู่ที่ลุ่มหรือที่ดอนสถานที่นั้นเป็นที่น่าเรื่อนรมใจเพราะอะไรเพราะผู้มีคุณเขาอยู่นะพระองค์ก็ปรารถนาที่จะเห็นพระพิสูจน์เหล่านั้นคือในบรรดาผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีศรัทธาคุณสมบัติลักษณะของผู้มีศรัทธาคืออะไรอยากเข้าไปหาผู้ปรารถนาจะเห็นผู้มีศีล อยากจะนั่งใกล้ผู้มีศีลอยากจะฟังธรรมกถาเป็นต้นของผู้มีศีลพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีศรัทธาปรารถนาที่จะเห็นพระภิกสุเหล่าผู้มีมีศีลทั้งหลายพระองค์เห็นประโยชน์ที่พระองค์ประนามภิกสุเหล่านั้นถึงที่สุดแล้ว น, นะประนามจนประสบความสําเร็จอนานะสอนเข้าได้แล้วพระองค์ก็มีพระทัยยินดีดีใจตรัสบอกความประสงค์ที่จะเห็นภิกษุเหล่านั้นแก่พระอานนท์เถระได้ยินว่าพระองค์ไม่มีความดำริอย่างนี้ว่า เราประนามภิสูุเหล่านี้เพราะกระทำเสียงดังลั่นเมื่อเป็นเช่นนั้นพิสูจเหล่านั้นถูกข่านพระอนนเนี่โจดทวงเหมือนม้าอาชาในถุตัวเจริญถูกตีด้วยแส้ได้รับความสลดใจแล้วจึงเข้าไปยังป่าเพื่อให้เราโปรดปรานเพียรพยายามอยู่จัดทาให้แจ้งพระอรหันตผลโดยพลันเพราะคนที่ไปไล่คือพระอนุนเนี่ยนะพระนอนุนเนี่ยโจดทวงพระอนุนเนี่ยก็ตําหนิด้วยนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าตำหนิอย่างเดียววันนั้นพระอนุนก็ตําหนิด้วย ก็เหมือนกับม้าดีถูกแท้ตนีนแหละบัดนี้พระองค์ประสงค์จะเห็นภิกษุเหล่านั้นบรรลุพระอรหันต์มีพระไทยยินดีด้วยการบรรลุพระอรหันต์นั้นมีพระประสงค์จะเห็นภิกษุเหล่านั้นจึงทรงบัญชาท่านพระ อ, อ น, นุ์ผู้เป็นธรรมมะพันดาคาริกผู้รักษาขุนคลังแห่งพระธรรมก็คือผู้รักษาไตรสิกขาเนี่ยนะก็เลยใช้ภิกษุผู้ได้อภินญาหรูปหนึ่งนะทีนี้พระองค์ออพอพระภิกษุเหล่านั้น อันนะตอนที่พระพิสูจนเหล่านั้นมาพระพุทธเจ้าก็ตอนรับด้วยอนเนญชาสมาธิใช่ไหมอนเนญชาสมาธิคืออะไรคือสมาธิอันสัมปยุทธด้วยอรหัตผลมีจตุตฐานเป็นบาทหมายคำว่าเข้าฌานสี่ก่อนเข้าฌานสี่แล้วก็พิจรารณาฌานสี่เจริญวิปัสสนาเข้าพระสมาบัติพระสมาบัติอันนั้นก็ระดับจตุตถฌานจตุตถฌานอันนี้เรียกว่าอนเนญชาสมาบัติ ก็เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงทราบการมาของภิกษุเหล่านั้นไม่ทรงกระทําปฏิสันฐานทรงเข้าสมาบัติอย่างเดียวน่าจะคุยกันบ้างใช่ไหมเข้าพระละสมาบัติเลยเพื่อให้ภิกษุเหล่านั้นรู้ว่าพระองค์เข้าสมาบัติจึงเข้าด้วยเพื่อแสดงการอยู่ร่วมของภิกษุเหล่านั้นที่พระองค์ทรงประนามในการก่อนว่าเสมอกับพระองค์ในบัตินี้ตอนต้นถูกไล่แต่ตอนนี้เท่ากันนะเท่ากันในด้านเข้าพระละสมาบัติ เพื่อแสดงอนุภาพและเพื่อแสดงการพยากร์อรหัตผลโดยเว้นการแต่งวาจาอันนี้ก็เท่ากับว่าบรรลุแล้วมาพยากรณ์ให้พระพุทธเจ้ารู้ว่าบรรลุแล้วเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์แล้วทีนี้โดยศัพท์เกี่ยวกับอนเนญชาอนเนญชาเนี่ยนะอนเนชชาปกตินั้นได้แก่รูปราวจรจตุทชาถึงความไม่หวั่นไหวประกอบด้วยโวทานธรรม16ประการนะหมายคำ ว, ว่า พงแผ่ด้วยธรรมะ1 6ประการมีความไม่ฟุบลงเป็นต้นอันเป็นมูลเหตุแห่งฤิเพราะธรรมะอันเป็นข้าศึกมีโกศะชะาเป็นต้นอยู่ไกลแสนไกลก็เลยเรียกว่าอนเนินชะเพราะอัตถะว่าตนเองก็ไม่หวั่นไหว น, นะคำว่าอนเนินชะานี้โดยทั่วไปบางทีก็เน้นที่จตุทชาญจตุทชาญเนี่ยนะจตุทชานชื่อว่าอนเนชะา อเนิช้ทั้ง16อย่างนั้นคืออะไรหนึ่งจิตที่ไม่ฟุบลงเพราะความเกียดคร้านนะจิตที่ไม่ฟุบลงเพราะไม่หวั่นไหวเพราะโกสัจฉะคือความเกียดคร้านจิตที่ไม่ฟูขึ้นชื่อว่าอเนิชะเพราะไม่หวั่นไหวด้วยหรือไม่หว่นไหวในอุทจักจิตไม่ยินดียิ่งชื่อว่าอเนิชะเพราะไม่หวั่นไหวในราคะจิตไม่ผลักออกชื่อว่าอเนิช้าเพราะไม่หวั่นไหวในความพยาบาท จิตที่ไม่เกี่ยวก่อชื่อว่าอเนนชะเพราะไม่หวั่นไหวในทิฏฐิจิตที่ไม่ผูกพันชื่อว่าอเนนชะเพราะไม่หวั่นไหวในฉันทราคะจิตที่หลุดพ้นชื่อว่าอเนนชะเพราะไม่หวั่นไหวในกามราคะจิตที่ไม่ผัวพันชื่อว่าอเนนชะเพราะไม่หวั่นไหวในกิเลจจิตที่ไม่มีเขตแดนเป็นต้นชื่อว่าอเนนชะเพราะไม่หวั่นไหวในเขตแดนคือกิเลจจิตที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งชื่อว่าอเนนชะ เพราะไม่หวนไหวในกิเลสต่างๆจิตที่มีศรัทธากำกับแล้วชื่อว่าอเนนชะเพราะไม่หวนไหวในอาสัตยะจิตที่วิริยะจำกัดแล้วชื่อว่าอเนนชะเพราะไม่หวนไหวในโกสัจชะจิตที่สติกำกับแล้วชื่อว่าอเนนชะเพราะไม่หวนไหวในประมาทะจิตที่สมาธิกำกับแล้วชื่อว่าอเนนชะเพราะไม่หวนไหวในอุทธะจิตที่ปัญญากำกับแล้วชื่อว่าอเนนชะเพราะไม่หวนไหวในอวิชชา จิตที่ถึงความสว่างแล้วชื่อว่าอาเนนชา้าเพราะไม่หวั่นไว้ในความมืดคื อ, อวิชาถ้าแบ่งๆไปแล้วเนี่ยนะจิตที่ไม่ถูกนิวรนครอบงำจิตที่ไม่ถูกทิฏฐิรา่ะกิเลสเป็นต้นครอบงำจิตที่เป็นไปกับอินรีห้าสังเกตดูนะข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อหนึ่งสองสามสี่อันนี้หนึ่งคืออะไร ไม่ฟุบลงสองไม่ฟูขึ้นสามไม่ยินดียิ่งสีไม่ผลักออกจิตที่ฟุบลงแปลว่าขี้เกียจฟูขึ้นก็ฟุง้งไม่ยินดียิ่งก็เพราะราคะผลักออกก็เพราะโทสะพันจิตที่ไม่ฟุบลงไม่ฟูขึ้นไม่ยินดียิ่งไม่ผลักออกนี้ชื่อว่าอนเนญชาเหมือนกันอันนี้แปลว่ากำจัดนิวรณ์ได้ จิตที่ไม่เกาะเกี่ยวไม่ผูกพันจิตที่หลุดพ้นจิตที่ไม่พัวพันจิตที่ไม่มีเขตแดนจิตที่เป็นเอกคตาจิตพวกนี้เนี่ยนะชื่อว่าอเนนชะเพราะว่าไม่หวนไวในทิฏฐิฉันทราคะกามราคะไม่หวนไวในกิเลสไม่มีเขตแดนคือกิเลสไม่หวนไวในกิเลสต่างๆส่วนหข้อสุดท้ายเออขออภัยห้ข้อนั้นก็คือจิตที่มีศรัทธาจิตที่มีวิริยะจิตที่มีสติจิตที่มี สมาธิเนี่ยนะจิตที่มีปัญญาและก็จิตที่ถึงความสว่างก็จิตที่เป็นไปกับอินทรีห้าจิตที่เป็นไปกับพระห้านั่นเองคุณธรรมของจิตที่ไม่ถูกนิวรณ์กลุ่มรุมไม่ถูกกิเลสเล่นงานเป็นจิตที่ประกอบด้วยอินทรีย์จิตเหล่านี้ชื่อว่าอาเนชะเนี่ยนะสังเกตง่ายๆนะจิตที่ไม่ถูกอกุศลเล่นงานจิตที่มีคุณธรรมคือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญา จิตเหล่านี้นี่แหละเรียกว่าจิตที่เป็นอเนญชะไม่วันไวในอเนญชาคือไม่วันไวในความเกียรติค้าในความฟาุ้งซ่านในราคะพยาบาทที่ถิ่ฉันทราคะการมราคะกิเลสไม่มีจิตที่ไร้เขตแดนจิตที่ไม่ถูกกิเลส ท, ทําให้วันไวเป็นใจที่ไม่ อ, อาสัตทิยะโกศชาปมาธาอุทะจะอวิชชาความมืดทําอะไรไม่ได้ เป็นจิตที่ไม่ยุบลงไม่ฟูขึ้นไม่ยินดียิ่งไม่ผลักออกไม่เกาะเกี่ยวไม่ผูกพันเป็นจิตที่หลุดพ้นจิตที่ไม่ผัวพันจิตที่ไม่มีเขตแดนจิตที่เป็นเอกคตาจิตที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิจิตที่มีปัญญาจิตที่ถึงความสว่างจิตเหล่านี้ชื่อว่าอาเนญชะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าการบัญญัติฌานห้าเหล่านี้ชื่อว่าอาเนญชะจริงๆ ชาณจิตห้าดวงเนี่ยนะที่เป็นอเนชฌะจิตที่ไม่หวั่นไหวหนึ่งคือรูปราวจรจตุทชาณและอะไรและ อ, อรูปฌานกุศลสีเนี่ยนะพวกนี้ชื่อว่าอาเนญชฌะนะรูปราวจรจตุทชาณหนึ่งและอรูปฌานอีกสดวงจิตเหล่านี้ชื่อว่าอาเนชะชาญเหล่านั้นอรหั ต, ตผลสมาบัติที่ทําชาญอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นบาทแล้วเข้าชื่อว่าอาเนญชะ หมายความว่าออกจากฌานสี่เจริญวิปัสสนาแล้วเข้าพระสมาบัติก็ชื่อว่าอเนินชสมาธิที่ที่พระอาหารหันตเหล่านี้ท่านเข้าะนะหรือออกจากอารูปฌานสี่อารูปฌานใดฌานหนึ่งเจริญวิปัสสนาแล้วเข้าพระสมาบัติต่อก็ชื่อว่าอเนินช้เข้าสิบสองชั่วโมงเต็มโอ้เข้าพระสมาบัติ12ชั่วโมงเนี่ยนะเก่งมากเลยนะ ก็ผ้านนเนีเตือนสีครั้งที่หนึ่งผสมยามผ่านไปเตือนครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วนั่งจนสว่างเมื่อสว่างแล้วอรุณที่เป็นประธานธรรมสัตนะผู้อาศัยดวงอาทิตย์ให้ร่าเริงสว่างขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ออกจากอานินชาสมาธิออกจากพระสมาบัติอันสัมปยุทธ์ด้วยอรหัตผลตามเวลาที่กําหนดไว้แล้วคือกําหนดเวลาอรุณขึ้นก็ออกเนี่ยนะ <c oughs> สเจโขตะวังอานันทะชาในยาสิอะนะบอกว่าดูก่อนอานุ์ถ้าเธอเพึงรู้อย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าและพิสูจนเหล่านั้นยับยั้งอยู่ด้วยสุขอันเกิดแต่สมาบัติชื่อนี้ตลอดการเพียงเท่านี้ด้วยบทว่าเอตกรรมปิเตนปติภาสยะพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงว่าความแจ่มแจ้งที่ปรากฏแก่เธอสาครั้งโดยในเป็นต้นว่าตอนนี้ปฐมมยามแล้วพระเจ้าข่ามมาชิมยามปชิมยามเนี่ยนะก็ ถ้าหากว่าเธอเข้าใจว่าเขาเข้าอะไรกันอยู่เธอก็ไม่ต้องเตือนอย่างนี้ใช่ไหมเพระองค์นี้ออกมาพระองค์ก็รู้แล้วว่าพระนนทน์เตือนยังไงอะไรยังไงแต่จริงๆ <verses. S 1> <of> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระองค์ก็รู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นพอหลังจากเกิดขึ้นออกมาจากเหตุการณ์เหล่านั้นพระองค์ก็ทบทวนได้ทั้งหมดว่าพระองค์ประกอบยังไงเพราะพระองค์เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยปัญญาเหมือนกับว่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ถ้าส่องมาเที่ยงวันจะมองมาจากมุมไหนก็ไร <c oughs> ้ก็ไร้ความมืดใช่ไหมก็ไม่มีความมืดที่จะมาปกปิดอะไร อนนก็เพราะเหตุที่เธอเป็นเสขะบุคคลเธอยังต้องศึกษาอีกเธอเลยไม่รู้วิหารสมาบัติวิหารธรรมอันเป็นของพระอรหันต์ใช่ไหมเพราะพระเสขะจะไม่รู้หรอกเรื่องของพระอรหรันต์เธอจึงถึงความขวนขวายที่จะให้เราเนี่ยปราศัยฝ่ายโลกีเธอก็อยากให้แต่เราพูดแบบนั้นเถอเพราะพระนลเป็นมหูสูตรใช่ไหมก็อยากฟังนะนขาคุยอะไรกันก็เลยไม่เข้าใจถึงเข้าพระสมาบัตินะ ถ้าโสดาปฏิผลสมาบัติท่านเข้าใจแต่นี้อรหัตผลสมาบัติที่เป็นอเนชาเนี่ยนะเราพร้อมด้วยพิสูรเหล่านั้นยับยั้งอยู่ตลอดราตรีทั้งสมด้วยการตราศัยอันเป็นโลกุตระนี่ก็เป็นการปราศัยเหมือนกันพระองค์ทราบเนื้อความทั้งหมดที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะโดยอาการทั้งปวงคืออัถฐความที่พิสูรเหล่านั้นมีความชํานาญมีความสามารถในการเข้าอเนญชาสมาบัติพร้อมกับพระองค์พระองค์ก็แสดงอุทาน อุทานที่ประกาศถึงพิสูจนเหล่านั้นสาเร็จในการละราคะได้เด็ดขาดอธิบายข้อความในคาถาที่พระองค์ตรัสว่าคาถาว่าในหน้า309บอกว่าพิสูุใดชนะหนามคือการชนะการด่าชนะการฆ่าชนะการจองจำได้แล้วพิสูนนั้นมั่นคงไม่หวั่นไหวเหมือนภูเขาพิสูจนนั้นไม่หวั่นไหวในเพราะสุขทุกข์คือไม่หวั่นไหวในโลกธรรม อธิบายว่ายัสัชิโตการมกันดโกความว่ากามคือกิเลสชื่อว่าเป็นน้ำเพราะอาจว่าทิมแทงธรรมะอันเป็นปฏิปักษ์เพราะว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อกุศลการอันเนี้ยพระอริยบุคคลชนะคือละได้โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นพระองค์แสดงภาวะที่พระอริยบุคคลไม่ยินดีในการ น้ำคือบ้านคือเป็นวัตถุทั้งสิ้นเป็นที่ตั้งแห่งน้ำคือกิเลสอันพระอริยบุคคลชนะแล้วก็คือตัดพระอริยบุคคลคือผู้ที่ตัดชันทราคาอันเนื่องด้วยวัตถุกามโดยประการทั้งปวงบทนี้แสดงถึงอนาคามีมัจนะชนะน้ำคือกามเนี่ชนะด้วยอนาคามีมัจแม้ในบทว่าวัาโทจะพันธนันจะนี้ก็ในยะนี้การด่าเป็นต้นแสดงถึงความไม่มีวจีทุจริต พระหันชนะการด่าคือพระหันไม่มีวจีทุจริตพระรหัน์ชนะการฆ่าและการจองจําก็แสดงว่าชนะกายทุจริตสรุปว่าพระอริยนี้สมบูรณ์ด้วยสุจริตสามใช่ไหมเป็นอันพระองค์ตรัตมักที่สามด้วยการละพยาบาทชนะการชนะการด่าชนะนนะชนะการด้วยชนะการด่าด้วยอ น, นี้หมายถึงนาคามีมักนะชนะเด็ดขาด ตรัตถึงมัคที่สคืออนาคามีมัคด้วยการชนะการด่าการขม่มการด่าเป็นต้นละได้เด็ดขาดด้วยมัคที่สาเหมือนกันแม้สองบทนี้หมายถึงท่าฐานนี้ไม่มีความยินร้ายไม่มีความโกรธเลยปัปพโตวิยโสทิโตอเนโชไม่หวั่นไหวเหมือนภูเขาเนี่ยหมยายคำว่าอันตรายคือกิเลสเป็นตัวหวั่นไหวกิเลสเนี่ยนะเอชามันหวั่นไหวมากนะโทสะเกิดใจก็ไหวตราคะเกิดใจก็หวั่นเป็นต้นเนี่ย อ เ, อเนชาอเนชาเพราะไม่มีกิเลสที่เหลืออันเป็นเหตุให้หวั่นไหวตั้งอยู่เหมือนกับภูเขาแท่งทึบไม่หวั่นไหวด้วยกิเลสทั้งปวงหรือด้วยลมลมปากเขาบอกว่าไอ้ลมภายนอกใจมันไม่ไหวเท่าไหร่ได้ลมปากนี่ทำให้หวั่นไหวมากเพราะฉะนั้นก็ไม่หวั่นไหวด้วยลมปากคือการว่าร้ายของผู้อื่นเหตุที่ท่านไม่มีความหวั่นไหวนั่นเอง บทว่าสุขทุกเขสุนะเวทติตสภิกขุความว่าภิกษุนั้นคือผู้ทําลายกิเลสแล้วย่อมไม่หวั่นไหวในสุขทุกขนั่นแหละก็คือไม่หวั่นไหวในโล ก, กธรรมอันนี้ก็เป็นคาถาที่แสดงถึงความคงที่ของพระอรหันต์เหล่านั้นมันก็เป็นคาถาที่ยกย่องชมเชยพระอรหันต์ว่าพระอรหันต์นี้ไม่หวั่นไหวในโล ก, กธรรมำชนะการชนะหนาคือการชนะการด่าชนะการฆ่าชนะการจองจําด้วย อารยมรรคทั้งหลายนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อความในยโสชาสูตรที่เป็นนะประวัตินี้ก็น่าคิดนะว่าโจรเป็นโจรอยู่ดีๆก็สมาทานซีลไปเกิดในสวรรค์ลงมาจากสวรรค์เกิดเป็นลูกชาวประมงฟังธรรมปฏิบัติไม่นานก็บรรลุเป็นพระาหารที่พระพุทธเจ้ายมชมเชยเป็นเอตะทะคะในเรื่องอเ น, นชะด้วยนะพระยะโสชเนี่ยเป็นพระทหา์รูปหนึ่งที่เป็นเอตะทะคะ นะก็ด้วยบุญกุศลที่เกิดจากการตั้งใจฟังหวั่นไหวบ้างไม่หวั่นไหวบ้างส่วนไหนที่ไม่หวั่นไหวก็จงเป็นอุปนิสัยให้ตรัสรู้ธรรมที่ไม่หวั่นไหวตามพระพุทธเจ้าโดยทั่วนกันวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เชิญ